มีพวกที่เข้าคอร์สวันนี้ช่วยยกมือให้หลวงพ่อตัวหนะ่อยเอาละเอามือลงได้นะส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านนะยังฟุ้งซ่านเก่งการภาวนานะ่อย่าทำผิดสองอย่างอย่างหนึ่งคือปล่อย ใ, ใจฟุ้งซ่านตามกิเลสไปเรื่อย เดี๋ยวก็อยากดูนะจิตที่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปหารสอะไรเงี้ยวิ่งไปหาสัมผัสทางร่างกายจิตหลงไปทางตาหูจมูกเลนใจนะแล้วก็หลงไปทางใจหลงไปคิดจิต ท, ที่มันหลงไปว่ามันไม่มีสติกำกับ เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติหลวงปู่ ม, มั่นท่านสอนอย่างนี้เลยมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติเวลาเราขาดสตนะิจิตเราก็วิ่งวุ่นวายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายวิ่งไปคิดเนื้อที่ใจ คนที่ตามมาก็คือจิตใจนี่นถูกกิเลสย้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างถ้าเราขาดสตินะเบือ้องนางของเราคืออบายอบายภูมิอย่างพอเราขาดสติใจก็โลภมากสะสมความรู้สึกโลภไว้เยอะแยะเลย โอกาสที่ตายแล้วไปเป็นเปยนเยอะสะสมความรู้สึ ก, กโกรธไว้เยอะๆก็ตกนรกใจที่มันโกรธมีโทสะมันตกนรกสะสมความกลัวกลัวอันตรายกลัวภัยอะไรต่ออะไรก็เตรียมพร้อมจะเป็นอสูรากายพวกขี้ขลาดถ้าเป็นพวกใจลอย เมื่อหลงเตรียมเตรียมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรนะัจฉานนมันหลงทั้งวันะใจลอยทั้งวันพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าถ้าตามกิเลสไปนะเราจะจมลงจมลงคือไปอบายนักปฏิบัตินะไม่ทำสองอย่างหนึ่งไม่มีสติหลงไป ในที่พวกเราเป็นกันส่วนใหญ่หลงทั้งวันอีกอย่างนนหนึ่งที่ไม่ควรทําคือการกดข่มบังคับกายบังคับใจให้ลําบากคนทั่วไปที่ไม่ได้ภาวนามันหลงทั้งวันพอเริ่มลงมือปฏิบัติมันก็เพ่งเอาไว้บังคับกายบังคับใจเครียดเครียดเหมือนหนุ่มเสื้อขาวมีลายเนี่ยมันเพ่งอยู่ นักเพลงมีโอกาสไปสุขติพวกเผลอตามจิเลสนะลงทุขติเดี๋ยวนี้เขามีสัญลักษณ์ใช่ไหมมีนิ้วขึ้นนิ้วลงลใช่ไหมยอย่างเราพยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจได้นะขึ้นอ้าขาดสติลงสองสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า บรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ควรเสดสองสิ่งอนหนึ่งคือการสุขาริการโยกการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเดี๋ยวก็หลงในรูปนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสในกายหรือหลงในการมธรรมเรื่องราวที่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องราวที่เราคิดเราสังเกต ด, ดู ไมชิดมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสยังไงเรียกว่าการมาทำคนส่วนใหญ่มันก็หลงอย่างนี้แต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่เราก็จะเพ่งเพ่งเนี่ยมันจะเป็นการทำกายทำใจตัวเองให้ลำบากเรียกว่าอัตตะกิลมาธาโยกฉะนั้นธรรมะบทแรกเลยที่พระพุทธเจ้าแสดง ท่านแสดงธรรมจักธรรมจักเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามีสิ่งสองสิ่งที่บรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติเลยเนี่ยไม่ควรทำอันหนึ่งคือยอ่ยอหย่อนตามจิเลตไปหลงไปเผลอไปเรียกว่ากามสุขาริการโยกอีกอันหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจให้เคร่งเครียดเหน็ดเหนื่อยลำบากโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา นันเรียกว่าอัตตะกิลมฐธานโยกสองสิ่งนี้เราจะไม่เอาเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนๆสอนอะไรนี่ปฏิบัติตานบวชใหม่ๆก็ยังสอนสิ่งสองสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะไม่เผลอก็ไม่เพ่งเผลอก็หลงตามกิเลสไป เพ่งก็ บ, บังคับกายบังคับใจเพ่งกายเพ่งใจสิ่งที่ผิดมีสองอันนี้แหละถ้าเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อ น, นั้นถูกสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่ว่าจะคิดทำยังไงนะมันจะกลายเป็นถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจเวลาเราคิดจะทำะมันจะสุดต๊ะไปข้างอาตัตตะเกี่ยวฐะถานโยกทันทีนี่สิ่งที่ถูกทำไม่ได้ให้รู้ตรงที่ผิด เมื่อไหร่รู้ทันตรงที่ผิดมันไม่ผิดมันก็ถูกของมันเองเมืนตรงที่ถูกอย่าจะคิดจะทำนะพวกเรานักปฏิบัติเราชอบคิดนะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีทำยงไงจะบรรลุมรรคผลเร็วๆนะ่ะ ม, มีแต่คาว่าทำนะใช้ไม่ได้ต่อไปนี้เวลาใจเราล่องลอยไป รู้ให้ไวัหน่วิธีฝึกที่ว่าใจลอยแล้วรู้ได้เร็วก็คือต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านของจิตนะเหมือนวิหารเนะเป็นบ้านของจิตอยู่กับพุโทโธก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโรก็ได้ หายใจอย่างเดียวไม่พุดโธก็ได้รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้รู้ร่างกายให้ใจออกหายใจเข้ามันจะเข้าไปอานาปนาสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรียกว่ารู้อิริยาบถสีย่ยขนาดนี้นั่งอยู่ก็อย่านั่งใจลอยนั่งอยู่คอยรู้สึกบ่อยๆเดินอยู่นอนอยู่ก็คอยรู้สึกบ่อยๆการที่เราค่อยรู้สึกบ่อยๆ ต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นอย่างเรานั่งอยู่เราคอยรู้สึกพอเราใจลอยเรานั่งอยู่เราก็ลืมมันเกิดขยับตัวนิดเดียวจะระลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมลืมกายไปละลืมร่างกายที่นั่งอยู่ละเลยดูจิตใจบ่อยๆใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมเช่น จิตมันโลภขึ้นมาก็รู้จิตมันไม่โลภก็รู้ค่อยดูไปดูกิเลสดูกิเลสดูกุศลเลยรที่มันปวดปวดปวดขึ้นมานดูบ่อยๆต่อไปเวลาเราขาดสตินะมันโลภขึ้นมาอย่างจิตมันมีราคาอเงี้ยสตรีมจะเกิดเองเพาเราเคยะระลึกบ่อยๆ อ, อย่างเราเห็นนะจิตมีราคาเราก็รู้จิตไม่มีราคาเราก็รู้ จิตมีโทสะเราก็รู้จิตไม่มีโทสะเราก็รู้จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตหลงไปเราก็รู้จิตรู้สึกตัวอยู่เราก็รู้เนี่ยมีสี่คู่ที่ให้เราเล่นมีราคาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะมีโม О หะคือหลงกับไม่มีโม О หะคือรู้สึกแล้วก็ฟุ้งซ่านกับหดหูมีสี่ตัวสี่คู่แปดตัว อันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสำหรับคนที่ไม่ส่งชานถ้าเป็นผู้ส่งชานนะจะมีอีกแปตัวข้างหลังจิตเป็นอุปจาระก็รู้จิตไม่เป็นอุปจาระก็รู้นะจิตเข้าอปปนาก็รู้จิตไม่เข้าอปปนาก็รู้นั่นเป็นจิตตานุปัสสนาสำหรับคนเล่นชานจิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ตัวท้ายๆของเราไม่มีเรามีแต่จิตโลภโกรธหลง เยอะแยะเรียนจากของที่เรามีไม่ต้องไปเรียนจากของที่ไม่มีนั่นจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งสร้างจิตโ ห, หูดูรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอเราหัดรู้จนชนะินความรู้สึกอะไรเกิดเนี่ยมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ตรงที่รู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยเรียกสติตัวจริงเกิดละหลวงพ่อเคยไปหาหลวงพ่อเทียนนะเห็นท่านสอนขยับมือไปลองดู ลองขยับเล่นนะขยับสิบสี่จังหวะลำคาญเหลือแค่นี้เองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่วัดท่านขยับขยับเนี้ยไม่ได้ทํสิบสี่จังหวะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตเงื่อนไขมากจังหวะมากลำคาลใจไม่สงบแค่นี้รู้สึกไปกรรมก็รู้คลายก็รู้กรรมก็รู้แบก็รู้รู้ไป วันหนึ่งเห็นเพื่อนที่ไม่เจอนานแล้วนะมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนคนนี้ซีมากตอนเด็กๆชอบกันจะรีบไปคุยกับมันขาสติก้าวเท้าไปจะข้ามถนนพอเท้าเริ่มเคลื่อนท้านะสติเกิดเองเลยเพราะเราเคยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกไม้ตอนฝึกนฝะึกขยับมือนะในตอนที่สติมันเกิดขึ้นมาเองนะขยับเทา้า เพราะร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะแต่ไปพอร่างกายมันเคลื่อนไหวโดยขาดสติสติจะเกิดขึ้นเองเดยดูนมามธรรมก็ได้ดูรู ป, ปรธรรมก็ได้เช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอใจไม่รู้สึกใจหลงไปก็รู้ว่าหลงไปแล้วไม่ได้กลับมารู้สึกกายได้เวรานเราจะฝึกไม่ให้หลงนาน หลงเรารู้สติเกิดไวๆต้องมีเครื่องอยู่อยู่กับพุโทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้อยู่กับอิริยาบถก็ได้นะอยู่กับความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดอันนี้เรียกว่าสัมเพชัญญะสัมเชัญญะบับพภะในสติปัฏฐาน จะใช้เวทนาก็ได้ดูสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดูไปเรื่อยๆต่อไปพอมันสุขปุ๊บมันรู้เองเลยตัวนั้นสติเกิดดูโลภเกิดลงก็ได้โลภขึ้นมาก็รู้ไม่โลภก็รู้เนี่ยต่อไปพอมันโลภ ป, ปุ๊บมันรู้เองสติเกิดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆนานๆรู้ทีจาไม่แม่น่ะเหมือนอย่างเราเจอคนคนนึ่งะ สิบปีเจอครั้งหนึ่งจำไม่แม่นอะ่ะอีกคนหนึ่งเจอทุกวันเลยจำแม่นสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเราเห็นสภาวะบ่อยๆต้องทำเพื่อให้สติเกิดเร็วๆทุกวันแบ่งเวลาไว้นะทำในรูปแบบมีอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัด แล้ถ้าจิตมันหนีไปเราค่อยรู้จิตมันถลําลงไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานเรารู้หนีไปที่อื่นเราก็รู้ฝึกอย่านี้เรื่อยๆนะแล้วสติจะเกิดอีกตัวหนึ่งที่ต้องพัฒนาคือสมาธิเครื่องมือสําคัญนะที่ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปดูองค์มรดกนะีในส่วนของการพัฒนาจิตเนี่ยใช่มีสามตัวหนึ่งสัมมาวายามะสัมมาสติสมมาสมาธิสัมมาสติสอนแล้วนะมันเกิดจากจิตจําสภาวะได้ สัมมาวายมะเป็นยังไงก็มีความเพียรนะกิเลสที่มีอยู่ก็เพียรละกิเลสใหม่ก็เพียรอย่าให้มันเกิดขึ้นมานะกุศลที่ยังไม่เกิดก็เพียรให้มันเกิดที่เกิดแล้วก็ให้มันเจริญเกิดบ่อยๆอันนี้เรียกว่าสัมมาวายมานะเาะฉะนั้นไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆซึบื้อไม่มีสัมมาวายมานะ เราต้องรู้เท่าทันนะจิตมีกิเลสี่รู้ไปกุศลก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆเมื่ฝึกสติด้วยการทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานที่แนะนําก็คือกรรมฐานในสติปัฏฐานนั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสี่วิธีฝึกให้เกิดสัมมาสติก็ทําสติปัฏฐานรู้กายนะ อย่าหายใจออกรู้สึกให้ใจเข้ารู้สึกเนี่ยพอใจมลอยไปก็รู้สึกละแต่ไปสติมจะเกิดเองเพอใจลอยปุ๊บสติเกิดเองเลยมันลืมหายใจอย่างเวลาเราพุโทโธพุโทโธนะเวลาจิตมันหลงไปชิดเนี่ยหรือพุทโธถ้าเราพุโทโธจนจนิตนะพอพุโทโธหายไปเราะระลึกได้ว่าอุ้ยขาดสติละแต่ไปพอพุโทโธหายปุ๊บสติมาเองเลยเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติ แล้วสมาธินะเมื่อกี้บอกว่ามีสมตัวนะในการพัฒนาจิตสัมมาวยามะสมาสติสมาสติเนี่ยนะอธิบายด้วยสติปัฏฐานสัมมาสมาธิวิธีฝึกสมาสมาธินะันฝึกเต็มรูปแบบเพื่อฝึกเข้าชานนะซึ่งยุคเราเล่นยากยุคครูบาอาจารย์อยู่ป่าอยู่เขาวันๆไม่เจอใคร่นะก็ฝึกสมาธิกันได้เยอะหน่อยเอเราฟุ้งซ่านจนะเข้าฌาญเนี่ยยากมาก งั้นฝึกสมาธิที่ลดระดับลงมาคณิกะสมาธิสนาธิชั่วขณะเข้าฌานเนี่ยเป็นอัปปนาสมาธินะออกจากอัปปนาสมาธิมาจิตจะสรงสมาธนะิเด่นดวงอยู่งั้นนะไม่เกินเจ็ดวันส่งในอุปจาระไดนะ้แต่ว่าของเราเนี่ยอุปจาระก็ไม่มีมีแต่อุจาระนะงั้นเอาแค่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ วิธีที่ฝึกสมาธิช่วขณะก็คือคอยรู้ทันใช้สติเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจที่มันขาดมันขาดความตั้งมั่นมันไหลไปจิตเราไหลทั้งวันเน <S <S ี่นต่อไปนี้เราจะฝึกจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปพอจิตไหลปุ๊บสติระลึกรู้จิตที่ไหลจิตที่ไหลคือจิตฟุ้งซ่าน เป็นอกุศลจิตชนิดหนึง่งเป็นโมหะโมรจิตจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่มีโมหะเป็นรากเป็นเง้าเป็นมูลนั่นเรามีสติรู้ท่านจิตที่ไหลทันทีที่สติเกิดอกุศลจะต้องดับนี่เป็นกฎของธรรมะเพน้นเรารู้ทันว่าจิตเราหลงไปคิดละในขณะนั้นนะจิตจะเกิดคณิกาสมาธิขึ้นตั้งมันขึ้นชั่วขณะ อย่าดูถูกช่วขณนะเกิดบ่อยๆมันก็ส่งตัวเด่นดวงขึ้นมาได้ mm hmm. แม่ชีทำไม่ถูกอย่างเนี้ยมันเริ่มบังคับตัวเองเนี่ยจิตไปทรงอย่างนี้อยู่นะไม่ถูกนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปบังคับให้นิ่ง นีสิ่งที่เราต้องฝึกนะฝึกรู้เท่าทันกิเลสอย่าไยอมมันนะแล้วก็ฝึกสติปัฏฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดดูกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้นะธรรมานุปัสสัญยากหน่อยเล่นยากเอาของง่ายกายกับจิตง่ายที่สุดแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็ไม่ต้องเวลร ย, ยากง่ายๆ คอรู้ทันเวลาจิตมันไม่มีสมาธิจิตไม่มีสมาธิคือจิตมันฟุ้งซ่านมันหนีไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันโดยเฉพาะจิตวิ่งไปคิดคิดทั้งวันเนี่ยเรารู้ทันจิตที่หลงคิดยัางนี้หลงคิดละเนี่ยหัดรู้ทันรู้สภาวะของมันโอ๊ยมันหลงคิดเนี่ยรู้สภาวะไปนะไม่ต้องไปทำว่าทําไงไม่หลงนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ ฝึกอย่างนี้เราจะไม่สุดต่งไปสองข้างมันไม่ผิดมันก็ถูกเองอะ่ะจงใจให้ถูกมันผิดทันทีเลยเพราะมันโลภอยากปฏิบัติโลภผิดทันทีเลยอาผูนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะเดีย๋ยวตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดหน่อยว่ามาถ้าไม่ส่งก็ส่งไม้ไปรัชการค่ะหลวงพ่อเตรียมมาแต่ว่าลืมไปหมดเลยดึกเป้นมากหรือไปทิ้งมันไป อย huh> like um uh li ู่กับปัจจุบันก็หลวงพ่อให้ไปปฏิบัติให้ดูกายหรือว่าดูจิตก็ได้ค่ะในชีวิตประจําวันผ่านมาหนึ่งปีหนูก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเห็นความโกรธเห็นความสุขเห็นความทุกข์มากขึ้นแล้วก็สั้นลงกว่าเดิมค่ะดูไปค่ะปัจจุบันสั้นนิดเดียวจิตเข้าปัจจุบันแล้วมีแต่แวบแวบเวบแกแล้วดับเลย ค่ะแล้วทีนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยหนูก็นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ค่อยได้เดินอืแล้วทีนี้พอมาอยู่วัดเมื่อวานนี้ก็ค้นพบตัวเองว่าชอบเดินมากกว่านั่งอ็ไปเดินดิค่ะหนูทําถูกหรือยังคะก็ดีขึ้นนะจะทําอีกขอบพระคุณค่ะส่งไม่ไปธรรมศากันปกติเวลาเดินส่วนมากจะเดินนะแต่ก่อนรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้จิตไม่เหมือนแต่ก่อนดูออกไหม นะใจเดี๋ยวนี้มันโปร่งโล่งขึ้นแต่ก่อนเวลาหลงไปคิดอย่างอื่นพอกลับมานึกได้เน่ยพึ่งได้ว่าหลงไปคิดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอหลงไปคิดอย่างอื่นจับได้เร็วขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้นั่งไม่ค่อยได้แต่ก่อนนั่งได้ดีกว่านี้ฝนะึกทุกๆอิริยาบถนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายในอิริยาบถไหนยันทาให้ได้ทุกอิริยาบถขอบคุณคนะนะ นวัต ก, การครับก็ฝึกทั้ง เ, เดินแล้วก็นั่งสมาธินั่งก็ใช้พุโทโธบริกรรมนะครับก็สิ่งที่ที่เจอก็ตัวตัวที่ความรู้สึก่ะครับมันไม่คงที่ได้เลยดีดอย่างเสียงนาฬิกาในในเรือนมันดังเท่ากันทุกจังหวะแต่ว่าความรู้สึกที่ไปจับได้มัน ม, มันแผ่วลงแล้วก็หายไปแล้วก็ เกิดขึ้นใหม่ครับตรงที่หายไปอเพราะเราไม่มีจิตที่เกิดที่หูนะจิตตอนนั้นเป็นหลงคิดเร้วอนะื่นเสียงจะไม่ได้ยินครับจิตเกิดดับทีละดวงเกิดทางตาทางหูจมูกเลนกลายใจแนละ้วหมุนเวียนกันไปเังนันเวลาใจเราลอยวิคิดปุ๊บเราไม่ได้ยินเสียงครับ น, นจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ยาวของนอกมาทํากรรมฐานเลยดูลงในใกายในใจของเรา ไม่ต้องไปเอาเสียงนาฬิกามาแล้วไม่ง <Yeah. S 1> ้นเราจะเห็นเสียงเกิดดับครับแตาไม่ใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าดูลงไปตรงที่เราเห็นว่ามันเป็นเราร่างกายเนี่ยเรารู้สึกเป็นเราดูตรงเนี้ยจิตใจเนี่ยเรารู้สึกเป็นเราดูตรงเนี้ยนาฬิกามอยู่ข้างนอกนะเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราอยู่แล้วครับย้ําดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจนะอ่าต่อไป ยังติดการเพ่งอยู่นะยังบังคับจิตให้นิ่งอยู่ไปปรับตัวนีดนิดหนึ่งเพ่งเรารั้วเพง่งธรรมส ก, การค่ะหลวงพ่อก่อนหน้านี้ก็ติดเพ่งไงนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือ่ น, นูดีขึ้นละดีขึ้ น, นสองวันบ้านกรู้สึกพอหลวงพ่อเทศก็รู้สึกว่าตัวเองอยังเป็นยังเป็นอย่างที่หลวงพ่อเทศนะครับก็ จะมีข้ออ้างเอออย่าอ้างนะต้องสู้เอาอ้างก็อ้างไปเรื่อยๆทั้งชาตินะ่ะไม่ได้ทำสักทีไม่ได้ปฏิบัติอดทนก็มันเพ่งแล้วนะรู้สึกเปล่าตรงนี้ไม่ถูกอ่ะยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะพยายามจะเลิกเพ่งดู อ, อราเปล่านะปล่อยมั น, มนทำงานวันนี้หมดเวลาแล้วละนะนะ เดี๋ยวใครมีเรื่องจะถามไปถามพวกผู้ช่วยสอนนะมีเยอะแยะเพียงแต่เขาจะสอนหรือเปล่าไม่รู้นะผู้ช่วยสอนมีตั้งหลายสิบเลยไม่ค่อยสอนเดี๋ยวเราจะจัดพื้นที่นะคนไหนอยากสมัครอยู่วัดไปน้่นเลยโรงอาหารสอง คนไหนียรอส่งน้ำหลวงพ่อสุจินก็รอในนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะจัดพื้นที่แล้วว่างจัดพื้นที่หลวงพ่อจะไปคุยกับพระขาดสติหมดห้องเลย